พุทธศกรา 2,538 ในวันนี้อาจามาภาพก็ขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้มาทำบุญได้มาเลี้ยงเพลงประสงค์โดยการนัดหมายของคุณวิบูลซึ่งกระปรารลบ การที่บริษัทที่ปรึกษากฎหมายอินเทอร์เน็ตได้ตั้งมาครบทศวรรษก็คือสิบปีนี่ก็เป็นโอกาสอันเหมาะก็ชวนญาติวิทย์ท่านที่เคารพนับถือมาทำบุญด้วยกันการทำบุญด้วยกันนันก็เรามักจะมองฏิีการเลี้ยงพระก็คือถวายทานนั่นว่า บุญนั้นตามหลักพระศาสนาท่านบอกว่ามีทานมีศีลมีภาวนานี่เป็นข้อสรุปหมายความว่านอกจากถวายทานการเลี้ยงพระการถวายเครื่องทายาทความสิ่งของแล้วก็มีเรื่องของศีลคือเรื่องของพฤติกรรมกายวาจาด้วยแล้วก็มีเรื่องของภาวนาก็คือการที่ฝึกอบรมทําจิตใจและปัญญาให้เจริ่งงอกงามด้วย คามจริงนั้นถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องเวลาเรามาถวายทานเนี่ยเราก็ได้ครบหมดเพราะผู้ที่มาถวายทานเลี้ยงพระเนี่ยเริ่มต้นก็เข้ามาสู่วัดวาอารามกายวาจาก็ต้องสํารวมกายวาจานั้นเป็นวายกายวาจาที่ดีที่สงบที่เป็นกุศลเว้นจากสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนกัน เรามาที่นี้ไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมิไดเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือร่วมมือกันมาร่วมการส่งเสริมกันในการทําบุญทำกุศลทําความดีแล้วก็ยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเข้าพิธีแล้วก็ต้องนั่งสงบสำรวมกายวาจาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของศีลเท่านั้นแล้วก็เรื่องภาวนาก็ได้ตั้งแต่ว่าเข้ามาในบรรยากาศที่สงบจิตใจก็โน้มไปในทางของความสงบไปด้วย เราเข้าที่สงบจิตใจก็สงบแล้วมีความร่มรื่นของวัดวาารามจิตใจก็ยิ่งมีความเบิกบานผ่องใสเพียงแค่นี้ก็เรียกว่าเจริญใจคําว่าเจริญใจก็คืออาการที่ว่าได้ภาวนานแล้วแหละจิตใจเจริญ ง, ง, งอกงามขึ้นด้วยความรู้สึกที่ดีงามสภาพจิตที่เบิกบานสดชื่นเนี่ยเป็นกุศลเป็นภาวนานแล้วแล้วทีนี้พอได้ทําบุญทํากุศลอีก ก็รู้สึกว่ามีความอิ่มใจได้ทำสิ่งที่ดีได้สนับสนุนบำรุงพศาสนาลื้มใจอิ่มใจก็ยิ่งทำให้จิตใ จ, จเจริญงองงามมากขึ้นเสร็จแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟังธรร ม, มการฟังธรรมหรือการฟังเทศได้เข้าใจเรื่องคำสั่งสอนธรรมะรู้ความจริงของชีวิตรู้หลักพระพฤติปฏิบัติความดีงามต่าง ปัญญาจเจริญงองงามขึ้นอีกอันนี้แหละรวมแล้วก็อยู่ในข้อภาวนาพอได้ทำอย่างนี้แล้วก็เลยครบสามครบสามก็เป็นอันว่าทานศีลภาวนามาพรั่งพร้อมเราก็เลยไม่รู้จะเรียกยังไงไปเรียกว่าถวายทานอย่างเดียวก็ไม่ครบแหละแม้ว่าเราจะเริ่มต้นในการไปถวายทานแต่ว่าเวลาไปทำจริงล้วครบหมดทานก็มาศีลก็มาภาวนาก็มาจะพูดว่าไปถวายทานอย่างเดียว ไม่ครบเพราะฉะนั้นต้องพูดว่าไปทำบุญ<ม>นั่นการที่เรามาวัดแล้วก็เราเรียกว่ามาทำบุญก็เพราะเหตุนี้เพราะว่าเราได้หมดแต่ก็ต้องเข้าใจแล้วก็ทาให้ถูกด้วยจึงจะได้หมดถ้าได้ครบนี้เราพูดได้เต็มภาคภูมิว<ม>่าเราไปทำบุญน<ม><ม>คือได้ทั้งฐานทั้งศีลแล้วก็ภาวนาพอได้อย่างนี้แล้วก็เป็นปัจจัยที่จะปรุงแต่งสร้างสารรค์ให้ชีวิตนี้จเจริญ ง, งอกงามมีความสุข เพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติถูกต้องมาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเนี่ยชีวิตเจริญงอก ง, งามมีความสุขรื่อยเลยก็สมมัตถุประสงค์ที่คุณวิบูรตั้งไว้บอกว่าจะทําอย่างไรให้มีความสุขพอญาติวิทย์มาทําบุญอย่างนี้ทำถูกทางก็มีความสุขแล้วนะไม่เฉพาะในด้านพระศาสนาเท่านนนะแม้แต่ในหมู่ญาติมิตรกันเองมาพบปะกัน เวลาเรามาพบปะ ก, กันมาพบในเรื่องดีๆในเรื่องทำบุญทำกุศลจิตใจของเราก็ดีงามคามเป็นมิตรนัก็ทําให้จิตใจดีอยู่แล้วมิตรนั่นก็มีเมตตาความเป็นมิตรก็คือเมตตาธรรมมาพบกันมีมัยตรีมีความสุขในการที่ได้พบกันเขาเรียกว่ามตรีรถเกิดขึ้นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเป็นกุศลทั้งนั้นทีน่ในวันนี้คุณวิบูล์ก็อยากจะให้ญาติมิตรได้รับประโยชน์จาก การทำบุญทำกุศลมากขึ้นอีกก็เลยอยากจะให้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความสุขทําอย่างไรจะมีความสุขแล้วก็ไร้ทุกขนะ์คุณวิบูลย้าไว้ว่าจไม่เฉพาะให้มีความสุขนะยังให้ไร้ทุกข์ด้วยนะนี่เราก็เลยลองมาคุยกันเรื่องความสุขไร้ทุกข์ว่าจะทํำยังไงกันดีว่าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราปฏิบัติแล้วก็เราก็จะเริน ง, งอกงามขึ้นในความสุขแล้วก็ร้างทุกข์ไร้ทุกข์ห่างทุกข์ ยิ่งขึ้นไปจิงกระทั่งว่าหมดทุกข์เลยหมดทุกข์แล้วก็เหลือแต่ความสุขพอสุขสมบูรณ์เต็มที่ก็เป็นบรมสุขทางพระธันเรียกว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมยอดอย่างสูงสุดหรือว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติไม่มีนั่นแหละเป็นสุขที่สมบูรณ์และนั่นข้อปฏิบัติในตาพุทธศาสนานี่จะนําเราไปสู่ความสุขอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าก็ตรัดวิธีที่จะทําให้เรามีความสุขไวาเยอะแยะหมดพระองค์ตรัดเรื่องความสุขไว้หลายแหง่งบางแห่งนี้ตรัดแยกไว้ถึงรวมแล้วนับได้ประมาณสิบประเภทนะคือความสุขนี่มีหลายประเภทมากมายเรามักจะมองกันความสุขได้แค่อย่างสองอย่างเราะนั้นถ้าจะให้ดีต้องมีการเรียนรู้ว่าความสุขนั้นมีได้มากมายหลายอย่างหลายช่องทาง ถ, ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนรู้เราก็นึกว่าเออความสุขมีอย่างที่เราเคยเข้าใจเท่านั้นที่จริงความสุขมีวิธีมีช่องทางเยอะมีหลายแบบแล้วมีหลักการในการที่จะสร้างให้ให้มีขึ้นน่ะได้หลายวิธีด้วยแล้วก็ตอนแรกก็เพื่อจะให้เกิดความรู้นี้ก็เลยต้องพูดคู่กันก่อนว่าความสุข น, นันคู่กับความทุกข์ดูว่าพุทธศาสนามีหลักการเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์อย่างไร เราพูดเรื่องความทุกข์ซะ ก, ก่อนเลยเนเพราะว่าจุดหมายเราไปอยู่ที่สุขเราก็เริ่มที่ทุกข์ก่อนความทุกข์นี่ที่จริงมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราจะเพิ่งเอามาไว้ในใจของเราคือความทุกข์นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎธรรมชาติสภาพที่มีอยู่ในสิ่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งหลายที่เราพบเห็นปรากฏเนี่ยในโลกเนี่ยทั้งชีวิตของเราโดยทางพระท่านเรียกว่าสังขาร สังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยมาปรุงมาแต่งมาประชุมกันขึ้นเลยเรียกกันง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งการเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นคือกฎธรรมชาติทีนี้สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยถูกปัจจัยปรุงแต่งเหตุปัจจัยมันเป็นยังไงมันก็ทาให้สิ่งเหล่านั้นพลอยเป็นไปด้วย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 ก็สิ่งทั้งหลายมันเป็นสังขารมันตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหลักเกณฑ์ของกฎธรรมชาติก็คือความเป็นเหตุเป็นผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละซึ่งก็ตรงกันถึงความรู้ทางวิรรทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องนี้กฎธรรมชาติที่มีสิ่งทั้งหลายทั่วไปหมดก็เลยไปนอนุรักษ์สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตั้งอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันปรากฏรูปขึ้นมาต่างๆ ซึ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เราพบเห็นเราเรียกว่าอันนู้นอันนี้เป็นตัวเป็นตนนั้นที่จริงตัวตนเขามันแท้แท้มันไม่มีหรอกตัวตนนี้เป็นสภาพรวมเป็นภาพปรากฏจากเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังเขามันยินี้ถ้าเราจับได้เหตุปัจจัยเขามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไอ้ตัวรูปร่างเขามันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนั้นตัวตนก็คือภาพรวมหรือภาพปรากฏ ของการประชุมก็เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังะฉะนั้นตัวแท้เราต้องจับได้คือเหตุปัจจัยเหล่านั้นนั้นตัวจริงอยู่ที่ความเป็นเหตุปัจจัยเลยาทางพระนั่นก็เลยเรียกว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงเกิดดับทุกขังคืออยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแป ล, ปลงไปแล้วก็อนัตตาไม่มีตัวตนยืนตัวแต่ว่าปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันนี่คือ หลักพระไตรลักษณ์นี้เวลาเราพูดถึงทุกเนี่ยทุกมันก็รวมอยู่ในหลักสามประการที่ว่าคือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ทุกขังคือทุกออคําว่าทุกอยู่ตรงนี้เองอยู่ในกฎธรรมชาติและทุกขังนั่นแหละเป็นส่วนที่ปรากฏสําคัญแก่มนุษย์นะพอมันมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปเป็นไปนตามเหตุปัจจัยมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง มันเกิดผลแก่มนุษย์เลยคือว่าเกิดผลแก่มนุษย์ก็คือว่าตัวมนุษย์เองนั้นหนึ่งก็เป็นธรรมชาติด้วยเมื่อเป็นธรรมชาติเป็นสังขารก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยนั้นด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่สภาพเดิมไม่ได้อันนี้ก็คือชีวิตของเรานี้ก็กลายเป็นว่ามีไอ้ตัวอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาอยู่ด้วยแหลนะนนี้ละจะกดธรรมชาติเข้ามาถึงตัวคนลว แปลว่าเราต้องยอมรับความจริงตามกฎธรรมชาติว่าชีวิตของเรานี้อยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไอตัวเด่นสําหรับความรู้สึกของมนุษย์ก็คือว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่ออกมาในความรู้สึกก็กลายเป็นเรื่องทุกข์ไปนะีคือว่ามันไม่คงที่มันตั้งอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะีก็เกิดเป็นปัญหาแกเรานั่นเอง เป็นปัญหากับเราทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไปสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายนั้นเรามีความปรารถนาเราความปรารถนาที่จะให้มันเป็นไปตามใจชอบของเราทีนี้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติก็เกิดการขัดแย้งกันระหว่างความเป็นจริงที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยและความปรารถนาของเราในใจที่ว่าต้องการให้ไปทั้งนี้ไอ้เจ้าสิ่งโน้นไปทางโน้นเนี่ย เราต้องการให้มันอยู่กับที่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยพอเราเกิดไปยึดถือว่าสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเราครอบครองมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะพอมันไม่เป็นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันฝืนความปรารถนาเราก็ถูกกระทบกระแทกเกิดความขัดแยง้งก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานะทุกข์ในกฎธรรมชาติก็เลยส่งผลมาเป็นทุกข์ในตัวเราในใจเรานะ ตกลงว่าไอ้ความทุกความอะไรที่แทมมาจากกฎธรรมชาตินั่นแหละที่ตัวจริงมันอยู่ที่กฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจหลักการนี้ว่าทุกที่จริงนั้นมันอยู่ในกฎธรรมชาติส่งผลต่อเราเพราะหนึ่งตัวเราชีวิตเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นด้วย 2. เพราะว่าเราไปมีความยึดถือนะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วไปขัดแย้งกับความเป็นจริงของกฎธรรมชาติเขาเราไม่ได้ตามปราถนาเกิดการประทะกะแทกขัดแย้งก็เลยทุกข์ขึ้นมาถ้าเรารู้หลักความจริงเหล่านี้ปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะเริ่มเบาทุกข์สั่งทุกข์แรงทุกข์หายทุกข์แล้วก็สุขมากขึ้นตอนนี้ก็เลยเริ่มต้นให้รู้ความจริงซะก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าเออเรื่องของทุกข์นะท่านจะต้องเข้าใจความจริงอันเนี้ย อย่างน้อยเข้าใจหลักความจริงตามธรรมชาติก่อนจะเป็นหนีจะเป็นเลี่ยงต้องเผชิญหน้าแต่ว่าเผชิญหน้าด้วยความรู้ด้วยปัญญาอันนั้นทุกก็เลยมาเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นความจริงที่เราจะต้องรู้คนอาจาก็สอนไม่เสร็จเลยว่าหน้าที่ต่อทุกขคืออะไรนะพระองค์ก็ตัดไว้ว่าทุกขังปรินยัยยังแปล ว, ว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เท่าทันว่างนะหมายความว่าเรามีหน้าที่ต่อทุกก็แค่ได้ปัญญา ที่ไปรู้เท่าทันมันเท่านั้นเองห้ามเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเป็นทุกข์นะเพราะว่าเรื่องอริยสัจนี้สําคัญคือหน้าที่ต่ออริยสัจพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้แต่อริยสัจอย่างเดียวอริยสัจนั้นมีหน้าที่ด้วยท่านเรียกว่า ก, กิจในอริยสัจทุกข์ตัวทุกข์นี้หนึ่งละที่เราว่าไปเมื่อกี้ทีนี้มันก็มีเหตุของทุกข์ ไอ้ทุกข์ที่ปรากฏขึ้นจากความยึดอยากปรารถนาของเราเหตุของมันอยู่ที่ตัวที่สองอะคือตัวความยึดความปรารถนานสมุ ท, ทยัยแล้วนั้นก็จะดับทุกข์ทำลายทุกข์หายทุกข์ก็โดยที่ว่ารู้เท่าทันความจริงทําให้ไม่มีไอ้ตัวความยึดความอยากที่สร้างกระแสเข้ามาขัดกับกฎธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติโดยวิธีการที่เข้าถึงความรู้ความจริงอันนี้ทีนี้ พระพุทธเจ้าก็จัดหน้าที่ต่อเริยสัตว์ไว้เรียกว่ากิจในเริยนสัตว์เนี่ยซึ่งเราจะต้องเข้าใจถ้าเรารู้อริยนสัตว์ต้องรู้กิจในเริยนสัตว์ด้วยถ้ารู้อริยนสัตว์อย่างเดียวถ้าทํากิจในเริยนสัตว์ผิดก็เราก็พลาดหมดเลยนั้นกิจในเริยนสัตว์นี่สําคัญอรียนสัตว์สี่มีทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าก็จัดกิจหรือหน้าที่ต่อเริยนสัตว์ไว้เท่ากันหน้าที่ต่อเริยนสัตว์ข้อหนึ่งคือทุก์ได้แก่อะไรพระอาจารบอกว่าได้แก่ปริญญา ท่านจึงบอกว่าทุกขังปริญญาอย่างทุกนั้นต้องปริญญาปริญญาก็แปลว่ารู้รอบรู้เท่าทันรู้ความจริงของมันรู้ตามที่มันเป็นนเป็นอันว่าหน้าที่ต่อทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดแล้วนะทุกเป็นเรื่องสําหรับปัญญารู้ไม่ใช่สําหรับให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นทุกข์เราก็ผิดผิดถนัดเลยหน้าที่ของเราต่อทุกนี้จังต้องชัดเจนต้องเป็นเรื่องของความรู้ แล้วก็สองสมุทยนะัยเนี่ยเหตุของทุกข์นั่นสิเราต้องละต้องกําจัดถ้าเรียกว่ากิจต่อสมุทัยนะั่นแก่ปหานนะแล้วต่อไปกิจต่ออนิสัตถ์ข้อ3จุดหมายความหมดทุกข์ดับทุกข์ไร้ทุกข์อันนี้ท่านบอกว่าสัจกิริยาเราต้องประจักษ์แจง้งคือเราจะต้องบรรลุถึงอันนั้นคือจุดหมายของเราละคือความไม่มีทุกข์ความไร้ทุกข์อันนี้เป็นตัวที่เราจะต้องประจักษ์แจง้งทําให้เกิดเป็นจริง ทำให้เป็นของจริงขึ้นในตัวเราแล้วก็สุดท้ายก็มรรคจะทําไงให้เข้าถึงความไร้ทุกน์นี้หรือว่าได้ทําให้ความไร้ทุกหมดทุกนี้เป็นจริงขึ้นมาเราก็ต้องข้อที่สี่คือลงมือปฏิบัติหรือ่ามรรคเป็นมีหน้าที่คือภาวนาได้แก่การลงมือทำสีนะ่ข้อเนี่ชัดแต่วันนี้ต้องการพูดเฉพาะข้อที่หนะึ่งข้อสองสามสี่นี่ไม่ได้พูดโดยตรงพูดโดยอ้อม นั่นจะไม่ไปงลงรายละเอียดในอริยสัจละเา้ายกขึ้นมาเพราะต้องการชี้ถึงคำว่าทุกข์ว่าพระพุทธเจ้าตรัสบอกหน้าที่ไว้แล้วว่าทุกข์เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือปริญญารู้เท่าทันเนี่ยก็รู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้รู้ความจริงของมันว่าอ๋อมันมาจากกฎธรรมชาตินี่เองเราไปสัมพันธ์กับกฎธรรมชาติแต่เราสัมพันธ์ไม่เป็นเนี่ยตั้งวางใจไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาขึ้นมา นั้นตอนแรกก็เลยให้รู้ความจริงนี้ซะก่อนรู้กฎธรรมชาติรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกฎธรรมชาติกับชีวิตของเราทางมาที่ทําให้เกิดทุกข์ตอนนี้แหละเรียกว่าปริญญาและหน้าละหนึ่งละเรื่องหน้าทิศต่อทุกข์ทีนี้ต่อมาก็เมื่อมีทุกข์แล้วก็มีสุขพุทธเจ้าก็จัดหลักวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์และความสุขรวมไปได้วยกันเลยทีนี้ว่าชีวิตของเรานี่เราจะเอาไงกับเรื่องสุขเรื่องทุกข์พระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้หลักสําคัญ4ี่ประการนี้ ชาพุทธน่าจะจำไว้ให้ดีทีเนียมีอะไรบ้างนะการปฏิบัติต่อทุกขสุขหนึ่งพระพุทธเจ้าตัสว่าไม่เอาทุกขทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะข้อที่หนึง่งนะบางคนนี่ชอบเอาทุกข์มาใส่ตัวเนี่ยโดยใช่เหตุตัวเองไม่ได้มีทุกข์ก็อยู่สบายสบายเนี่ยนะลองคิดดูหลายคนเนี่ยเอาเรื่องนั้นมากลุ่มใจหรือเก็บเรื่องนี้มาแล้วก็คิด ทำให้ใจวุ่นวายเดือดร้อนมีความเครียดทั้งๆชีวิตก็อยู่ไปเรื่อยๆนะอ้าวละคนพวกที่หนึ่งนี่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกพระพุทธเจ้าสอนว่าหนึ่งไม่เอาทุกทับถมตนที่ไม่มีทุกนะเดี๋ยวลองดูว่าเราเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่ า, าทุกทับถมตนหรือเปล่านะสองท่านบอกว่าไม่ละทุกว่าไม่ละไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำนะ หมายความวาสุขใดที่เป็นสิ่งที่ชอบทําไม่ก่อความเสียหายไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ใครแล้วก็ท่านก็ให้เราใช้สิทธิสเวสวยความสุขนั้นได้สองไว่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้แต่สุขที่ชอบธรรมที่ดีนั้นก็ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมาเอาและทีนี้นี่ต้องระวังนะพระพุทธเจ้ากันไว้เป็นขั้นขันเลนะ นี้พอเราไม่ท่ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้พอเราสุขเราหลงลใช่ไหมติดหมกมุ่นเพลดิดเพลินแล้วก็เกิดโทษทีนี้ก็มัวเมาประมาทนะคนที่ลุ่มหลงในความสุขคราวนี้ก็ละทิ้งกิจหน้าที่การงานตกอยู่ในความประมาทมีอะไรที่จะต้องทําก็ไม่เร่งรับนะผัดเพี้ยนเวลาอย่างนี้ท่เรียกว่ามัวเมาประมาทเพราะนั้นใช้ไม่ได้เหมือนกันนั้นถึงแม้สุขที่ชอบทมก็ต้องไม่หลงหมกมุ่นมัวเมาประมาท แล้วยังไม่จบอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือว่าเพียรปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสุขที่ประนีจึงขึ้นไปนี่ก็หมายความว่ายังมีสุขอื่นอีกนะคุณอย่ามาติดอยู่แค่สุขขั้นนี้เดี๋ยวเราจะว่าเอออันนี้สุขนี้สำหรับเราดีแล้วมันชอบทแเราก็มีสิทธิ์สวยสุขเราก็เลยอยู่แค่นั้นไม่พัฒนาตัวถ้าบอกมีความสุขอื่นที่เราถึงอีก นั้นให้พัฒนาต่อไปพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปนั่นแหละจกนกระทั่งถึงสุขที่สมบูรณ์อย่างที่พูดไปตอนแรกนั่นแหละจึงจะพอใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าให้หลักไว้แล้วปฏิบัติตามหลักสี่ข้อนี้เป็นชาวพุทธสมบูรณ์และเรียบร้อยคือาการปฏิบัติตามพุทธศาสนานี่ปฏิบัติตามหลักไหนก็ได้มีวิธีปฏิบัติตหลายอย่างแต่ว่าเราเอาความสุขมาเป็นแนวก็ได้ ปฏิบัติตามหลักความสุขสี่อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติพุทธศาสนาถูกต้องสมบูรณ์นะเพราะนั้นพุทธศาสนาที่พูดในแง่ความสุขก็ได้เป็นเรื่องความสุขทั้งหมดเลยนะอ้าทวนอีกทีนะหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกขนะ์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่หลงไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นหมัวเมา แล้วก็สี่เพียรพยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปน ะ, ะจากสี่ข้อนี้อาตมาก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องความสุขแหลนะเอาอันนี้เป็นมาตรฐานเป็นแนวไว้ว่าในพุทธศาสนานท่านแสดงเรื่องความสุขไว้เยอะแยะพุทธเจ้าจัดไว้ที่อาตมาพูดแต่เบื้องต้นบอกว่าความสุขนั้นมีตั้งสิบชนิดก็มีบางแห่งพระองค์ก็จัดไว้สองแบบง่ายๆนะ ทีนี้วันนี้เราจะพูดสักเท่าไหร่ดีเนะี่เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องความสุขไว้เยอะนี่นะคือในพุทธศาสนานี่เราเอาเรื่องทุกข์แต่เพียงเป็นเรื่องสําหรับรู้เท่าทันใช่ไหมต้องปริญญาแต่เรื่องสุขนี่เป็นเรื่องของชีวิตของเราที่เราจะปฏิบัติให้เกิดมีเลยดังนะนั้นชาวพุทธปฏิบัติถูกจึงมีแต่ความสุขนี่ก็เราก็มาเริ่มว่ามีความสุขกี่ประเภทวันนี้คิดว่าเอาห้าอย่างเนะีย จะมากไปหรือเปล่านญาติอยู่ว่าโอ้โหห้ายอย่างก็จะจบไม่รู้กเท่าไรกลัวเวลาจะไม่พอเอาตกลงว่าลองดูก่อนกันละกันว่าจะพูดความสุขห้าประเภทนะก็ไม่ต้องพูดถึงสิประเภทอะถ้าสิบประเภทนี้ยาวมากไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะสับสนจําไม่ไหว น, นี่เอาความสุขแค่ห้าประเภทนี้ก็พอปานกลางพอจําได้ เริ่มความสุขประเภทที่หนึ่งก่อนความสุขประเภทที่หนึ่งนี่คนรู้จักกันมากโดยมากเวลาพูดถึงความสุขเนี่ยคนทั่วไปจะมองเห็นได้ในประเภทที่หนึ่งเนี่ยบางคนมองไม่เคยเลยประเภทที่หนึ่งเลยนะนะีประเภทที่หนึ่งนี่คืออะไรประเภทที่หนึ่งก็คือความสุขที่เป็นด้านสิ่งเสพสิ่งบริโภคเป็นวัตถุซึ่งเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรา ตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่จะต้องการวัตถุมาเสพมบริโภคตาก็อยากเห็นสิ่งสวยงามอยากดูทีวีอยากอะไรดูวิดีโอไม่รู้แหละดูสิ่งสวยๆงามๆหูก็อยากจะฟังเสียงไพเราะดนตรีอะไรต่างๆนะแล้วก็จมูกก็ดมกลิ่นที่หอมลิ้นที่ลิ้มรสอาหารอ ร, อร่อยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องลิ้นนี่นะ และเรื่องกายสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลฟูฟ้าอะไรต่า ง, างๆเหล่านี้ก็เราก็จะอยู่กับความสุขที่มาทางตาตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งที่มาเสพบำรุงบำรเริปลนเปลอตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนีอันนี้เป็นความสุขประเภทที่หนึ่งของคนทางพระท่านเรียกว่าสามิสสุขสามิสก็มาจากคำว่าสุขกะสามิสสามิ แปลว่าอาศัยอามิตรนั่นเองหรือความสุขที่อิงอามิตรประกอบด้วยอามิตรอามิตรนั่นก็คือวัตถุนั่นเองวัตถุที่เสพบริโภคเขาเรียกว่าอามิตรหรือบางทีถ้าเรียกว่ากามสุขใช้แทนกันได้กามสุขก็สิ่งที่ชอบใจคําว่ากามในทางธรรมได้มีความหมายกว้างมาถึงสิ่งที่มาบํารุงบําโหรตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามทั้งสิ้น ก็เป็นอามิตรนั่นเองเพราะนั้นความสุขของคนทั่วไปก็จะอยู่ที่ประเภทที่หนึ่งเนี่ยนี่นี่ประเภทแรกนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะทรงถือว่าเป็นสุขเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะคือว่าคนที่จะมีชีวิตอยู่ดีที่สุดนี่จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแม้แต่สิ่งที่ให้ความสุขอย่างถูกต้องอย่าให้มันทําพิษให้กันตนเองถ้าหากว่ามันมีโทษเราก็ต้องรู้ทันมัน ส่วนที่ดีเป็นคุณก็รู้ทันส่วนที่เป็นโทษก็รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วมันจะมีโทษต่อเราน้อยนั้นก็ต้องถามต่อบไปความสุขประเภทนี้ไม่ต้องบรรยายว่าเป็นความสุขอย่างไรแต่ว่ า, าต้องดูว่าเออแล้วมันมีโทษไหมมันมีปัญหามีข้อเสียไหมถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันถ้าเกิดมันมีข้อเสียเราก็อาจจะลําบากเกิดความเดือดร้อนโดยที่ว่า ได้ประโยชน์จากมันไม่คุ้มเสียดัง น, นั้นเราจะหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องรู้เท่าทันอย่างที่ว่าแล้วก็ปฏิบัติต่อมันให้ดีที่สุดให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษจากมันน้อยที่สุดทำยังไงก็เราก็มาลองมาดูว่าความสุขประเภทที่หนึ่งเนี่ยถ้ามันมีคุณอย่างเดียวแล้วไปไม่ต้องพูดต่อแต่ว่ามันมีคุณอย่างเดียวหรือมีโทษ ด, ด้วยถ้ามีโทษ ด, ด้วยเราต้องรู้ ถ้ามีโทษแล้วเราก็จะต้องแก้ไขทำให้มันมีโทษน้อยหรือไม่ให้มันมีในส่วนดีเป็นอันว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดนะกามาสุขหรือสามิสุขมีมีส่วนดีอย่างไรทีนี้ส่วนเสียส่วนเสียเป็นยังไงมั่งมีไหมนะพระพุทธเจ้าตรัสบอกมีนะส่วนเสียเป็นยังไงบ้างส่วนเสียของสามีสุขสุขที่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งภายนอกสิ่งเสพบริโภคเนี่ยอาและลองมาดูกันนะ โอเรื่องนี้ยาวถ้าพูดเรื่องนี้อย่างเดียวก็หมดเลยเวลาใช่ไหมนี่เราก็คงต้องพูดก่อนย่อๆว่าสามิสสุขการมิสุขมีโทษอย่างไรบ้างนี่โทษท่านก็เอา้าหนึ่งต่อชีวิตของเราสองต่อสังคมต่อพื้นมนุษย์นะมองหลายด้านนี่มองด้านตัวเองก่อนมองด้านชีวิตของเราเนี่มันมีโทษไหมเนาะมีโทษอย่างไรบ้างเออคนที่หาความสุขประเภทนี้นี่ เอากันง่ายๆอย่างหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าความสุขของตัวนี้จะมีได้ต้องเสพวัตถุภายนอกสิ่งนั้นอยู่ภายนอกตัวนะไม่ได้อยู่ในตัวอันนี้กลายเป็นว่าความสุขนี้ไม่อยู่ในตัวเองความสุขนี้ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพภายนอกพอขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกก็เลยอ้าวไม่เป็นอิสระสิอนนันี้ถ้าหากว่าไม่ระวังตัวให้ดีนะนะ เราจะมีลักษณะชีวิตที่ว่ามีความพึ่งพาว่าชีวิตและความสุขต้องไปขึ้นต่อวัตถุสิ่งเเสพภายนอกไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้จักพัฒนาชีวิตของตนเองก็จะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนะคนเนี้ยนะพอได้วัตถุสิ่งเสพมันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งเเสพเหล่าเนี้ย มันจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีมากขึ้นเพื่อจะให้ได้ความสุขเท่าเดิมแต่ก่อนนี้เคยมีเท่านี้ก็มีความสุขแล้วมีความมุ่งหมายใฝ่ฝันว่าโอ้ถ้าได้เงินเท่านี้จะมีความสุขสุดแสนสูงสุดสุดยอดเลยสมมติว่าอ้าวเคยพูดบ่อยๆเช่นว่าคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีเงินยากจนนะก็เลยคิด ว่าแหมถ้าเรามีเงินเดือนสมมติว่าห้าพันสมมติอย่างนั้นจะเป็นสุดยอดปรารถนามีความสุขเต็มที่สมมติว่าอย่างนั้นะหรือเอาหมื่นก็แล้วกันยุคนี้เงินมันมีค่าน้อยนะสมมติคนหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนนี่ยากจนมากก็เลยตั้งความใฝ่ฝันไว้ว่าถ้าเรามีเงินเดือนหมื่นเนี่ยเราพอเราสบายมีความสุขสุดยอดเลยนี่ต่อมาเขาก็เพียรพยายามสู้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ ทำงานทําการจกนกระทั่งได้เงินเดือนหนึ่งมื่นจริงๆนะตอนที่ได้ครั้งแรกนั้นสุขจริงๆนะสุขเหลือเกินเลยสุขเต็มที่แต่ว่าพอนานไปคราวนี้ชักชินแล้วพอชินใด ห, หมื่นหนึ่งเนี่ยความสุขนี้ก็ชักเฉยๆตอนนี้ปรารถนาห้าหมื่นนะปรารถนาห้าหมื่นต่อไปก็เกิดได้ห้าหมื่นต่อมาได้ห้าหมื่นแล้วก็เออสุขแต่ว่าตอนนี้ไม่สุขเท่าตอนได้หมื่นได้จานะเชื่อไหม ตอนได้ห้าหมื่นเนี่ยเพราะไอ้ได้หมื่นแรกเนี่ยมันความปรารถนามันตั้งไว้สูงฉะนั้นพอความปรารถนาสําเร็จก็สุขมากในตอนห้าหมื่นนี้มันตั้งความปรารถนาไม่สูงนักก็ได้ก็มีความสุขพอสมควรก็ต่อมาพอได้ห้าหมื่นแล้วก็ปรารถนาต่อไปให้ได้แสนเดี๋ยวต่อมาพอได้แสนก็สุขอพอสมควรอย่างที่ว่าแต่ไม่ได้เท่าไอตอนได้หมื่นตัวแรกเลยทีนี้เอาล้วทีนี้มองย้อนกลับ ตอนที่ได้เงินเดือนแสนนั้นถ้าเกิดมันมีเหตุอะไรที่ทําให้หมดเงินเดือนแสนนี้ไปแล้วไปได้หมื่นเดียวเนี่ยนะตอนนี้ไอ ห, หมื่นนั้นกลายเป็นทุกข์ไปเลยเชื่อไหมเนะี่ยหมื่นหนึ่งที่ใครเคยทําให้แสนสุขเนี่ยกลายเป็นความทุกข์ไปแล้วเนะี่ยอันนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่ว่าไม่ความสุข สิ่งที่จะมาสนองความต้องการนั้นที่เป็นวัตถุเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีเพื่อจะดึงให้ความสุขเนี่ยดำลงตัวอยู่เท่าเดิมดังนั้นโดยวิธีนี้มนุษย์ก็ยิ่งต้องแสวงหามากขึ้นใช่ความสุขก็ยิ่งขึ้นต่อวัตถุมากขึ้นก็เลยพร้อมกันนั้นตัวไม่รู้ว่าการที่ต้องหาให้ได้มากขึ้นปริมาณและดีกรีมากขึ้นก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นในระหว่างนั้นก็ทุกข์มากขึ้นด้วย ก็จะได้ความสุขเท่าเดิมในความสุขก็ห น, นี้ไปก็ตามกระบวนกรไล่กันไปอย่างนี้เรื่อยเลยนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของความสุขประเภทนี้คือการพัฒนาชีวิตที่เสียดุลยภาพเพราะฉะนั้นอันนี้แค่อันที่หนึ่งนี่ก็ต้องมีวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติคืออย่างไรคือเราจะมองด้านเดียวถ้ามองด้านเดียวว่าความสุขอยู่ที่การหาสิ่งเสพให้ได้มากที่สุดนะ แล้วเราจะสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขมีความสามารถหาสิ่งเสเรําเลิศความสุขแต่สูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขนคนเรามักจะไม่ได้มองว่าไอ้ตัวอันหนึ่งที่เราลืมไปก็คือความสามารถที่จะมีความสุขซึ่งทุกคนมีอยู่เดิมในชีวิตเป็นศักยภาพถ้าเรารักษามันไว้เนี่ยเรามีวัตถุเท่าไรเราก็มีแต่ความสุข และยิ่งเพิ่มวัตถุเรายิ่งสุขมากขึ้นโดยที่เราจะไม่สูญเสียเหมือนไปแล้วถ้าดีเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขนี้ให้มากขึ้นด้วยแล้วเราจะได้ลักษณะของชีวิตที่ว่าคนที่พัฒนาสองด้านนี้จะมีลักษณะต่างกับคนที่พัฒนาด้านเดียวคนที่พัฒนาด้านเดียวคือว่าพัฒนาแต่ความสามารถหาสิ่งเสพบํำรุงความสุข เก่งในการหาสิ่งบําเพอความสุขจริงแต่ว่าสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขก็จะเกิดลักษณะที่เรียกว่าอยู่ไปนานเข้าในโลกนี้เป็นคนที่สุขได้ยากขึ้ น, นเราสำรวจมนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนี้เยอะนะอยู่ไปในโลกแล้วเป็นคนที่สุขยากขึ้นนะก็คือต้องมีสิ่งเสพมากขึ้นมาขึ้นเพื่อสุขเท่าเดิมทีนี้ถ้าเขาพัฒนาถูกต้อง เขาก็จะรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไวเพราะนั้นอยู่ในโลกนานๆไปเนี่ยเครื่องวัดที่ดีคอยสารวจตัวเองว่าเราเป็นคนสุขง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าเราพัฒนาชีวิตถูกต้องเราต้องเป็นคนสุขง่ายขึ้ น, นเราจึงจะชื่อว่าเก่งจริงเมราอนั้นมันจะเก่งยังไงมันก็ไม่เก่งสิใช่เก่งแต่หาสิ่งเสพมาเลยความสุขแต่ไม่มีความเก่งที่จะมีความสุขเพราะนั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังเราจะต้องพัฒนาด้วยคือความสามารถที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นทางพุทธศาสนาถ้าจึงเน้นทั้งสองอย่างพร้อมกับการที่เราเล่าเรียนศึกษาพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งมาบำเรอความสุขเราก็พัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขไปด้วยพอพัฒนาสองด้านนี้คราวนี้เระสุขทวีคูณเลยนีสุขทวีคูณยังไงเพราะว่าเราสุขง่ายขึ้นแล้วสิ่งที่จะหามาบำรุงความสุข ก็หาได้เก่งขึ้นเพราะฉนั้นเราก็สุขสมบูรณ์เลยนี้ถ้าหากว่าเราสูญเสียความสามารถที่จะมีความสุขข้างในออกไปเราหาสิ่งเสพบาเรอความสุขได้เก่งเท่าไรมันก็ได้สุขเท่าเดิมอยู่นั่นแหละเพราะว่าไอ้ข้างนอกมันบวกหนึ่งแต่ข้างในมันลบหนึ่งใช่ไหมข้างในลบหนึ่งข้างนอกบวกหนึ่งก็สูญเรื่อยไปนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในโลกไปเนี่ยเป็นคนสุขได้ยากขึ้นทุกทีแล้วหาวัตถุเท่าไรก็ไม่สุขเต็มที่ทักทีจนกระทั่ง ในที่สุดแม้มีล้นฟ้ามีทั้งพร้อมบริบูรณ์ก็เป็นคนไม่มีความสุขจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะอยู่ไปในโลกเนี่ยเป็นคนที่หมดความสามารถที่จะมีความสุขอันนี้ตัวร้ายมากเมื่อหมดความสามารถที่จะมีความสุขซะแล้วมีอะไรเท่าไหร่มันก็ไม่ทำให้มีความสุขใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ว่าโทษของความสุขทางด้านอามิร ที่เกิดจากเรารู้ไม่เท่าทันและปฏิบัติไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้หลักอันนี้เราปฏิบัติให้ถูกปั๊บเราก็ได้สุขจริงจากวัตถุเสพเนี่ยต่อไปดูต่อไปว่ามันยังมีโทษอะไรอีกโทษจากความสุขประเภทนี้ก็นอกจากว่าต้องเพิ่มปริมาณและดีกรีก็คือว่ามันเป็นของที่ชินชาได้พอเรามีความคุ้นกับมันตอนแรกเราหวังจากมันนะว่าได้สิ่งนี้แล้วแม้จะแสนสุข เรียกว่าฝ่ฝันนะักพอได้ก็สุขจริงแต่พอชินชาไปหายสุขตอนนี้กลายเป็นบางทีเบื่อเนะพราะเบื่อแล้วเกิดความจำเป็นต้องอยู่ด้วยไปไม่ได้คราวนี้ทุกเลยนะทุกเพราะต้องจำทนอยู่แนละทีนี้อันนี้ก็ร้ายเหมือนกันนะตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าอ น, นิจจังมาแล้วช่วยเลยใช่นะกลับชอบอ น, นิจจังให้เปลี่ยนแปลงเพราะนั้นอันนี้สาคัญมากนี่ก็โทษอีกอันหนึ่งของสามิสสุ ต่อไปอันหนึ่งเท่า น, นี้ก็มาถึงตัวกดอันนี้จางทุกขังนัตตาทีนี้สิ่งเหล่านี้ทั้งตัวเราเองทั้งสิ่งที่เราปรารถนาเหล่านั้นอามิธทั้งหลายมันล้วนจัดตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติมีความไม่เที่ยงแปรปรวนไปมันก็ต้องมีการจากมีการพลัดพลาดได้อันนี้คนก็จะมีความทุกข์จากเรื่องเหล่านี้แม้ไม่เกิดขึ้นจริงนะนาการแตกหักสลายสูญเสียยังไม่เกิดแต่มีความหวาดหวั่นใช่ไหมหวาดหวั่นพลั้นกลัว ต่อความสูญเสียฟัดพลากเหล่านั้นนี่ก็ทุกทางนั้นเลยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากอามิธจากสิ่งเสพภายนอกนี่มีจุดอ่อนหลายอย่างนี่นี่อาตมาก็เอามาให้ดูสองสาอย่างแล้วนะนี่ในแง่ของชีวิตของเราทีนี้มองออกไปกว้างก็คือในทางสังคมมองในทางสังคมก็มีผลเสียได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติผิดและยุ่งเลยแล้วอันนี้แหละคือที่มาของปัญหาสังคมแทบทุกอย่าง เพราะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความเข้าใจอย่างเดียวกันว่าจะต้องเสพวัตถุหามาให้ได้มากที่สุดแล้วตัวเองจะมีความสุขมากที่สุดทุกคนมองอย่างเดียวกันว่าฉันต้องมีมากที่สุดจึงจะสุขที่สุดเพะฉะนั้นฉันก็หาให้มากที่สุดเมื่อต่างคนต่างหาให้มากที่สุดมันก็ต้องเบียดเบียนแย่งชิงซึ่งกันและกันใครมีกาลังมากมีโอกาสม า, มากมีความสามารถมากก็หาได้มาก คนที่มีกำลังน้อยโอกาสน้อยความสามารถน้อยก็หาได้น้อยก็เกิดการเอารัดเอาเปรียบคมเหงซึ่งกันและการเบียดเวียนกันก็เกิดความทุกข์ในสังคมแล้วทีนี้อันนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ว่าหามิสุขมีปัญหาไร้แรงต่อสังคมมนุษย์เพราะสังคมมนุษย์ที่มีความเดือดร้อนปัจจุบันนี้ก็มาจากเรื่องการเบียดเบียนแย่งชิงสิ่งเสพอามิรบริโภค แล้วปัญหานี้ก็เลยไปถึงสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยเมื่อจเจริญบริโภคให้มากความสุขขึ้นต่อสิ่งเจริญเขาเรียกว่าเจรมากที่สุดสุขมากที่สุดก็ต้องเอาจากธรรมชาติมากที่สุดทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกทํำลายอันนั้นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมก็เกิดขึ้นมาอีกอันนั้นตกลงว่าความสุขประเภทที่หนึ่งนี้ถ้ามนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกแล้วยุ่งมากหนึ่งชีวิตของตัวเองก็ไม่มีความสุข แค่จริงสองเกิดปัญหาในทางสังคมการเบียดเบียนคมเหงแย่งชิงเอารัดเอเปรียบกันสามปัญหาต่อธรรมชาติแบหลอมนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเอาละความสุขประเภทที่หนึ่งนี่คุณจะมีคุณต้องระวังและปฏิบัติให้ถูกต้องและให้มีโทษที่น้อยที่สุดแต่อย่างน้อยเราต้องยอมรับความจริงว่าถึงยังไงมันพ้นความทุกข์จากมันไม่ได้เพราะว่า มันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงตกอยู่ใต้กฎธรรมชาติต้องมีการแตกหักสลายแปรปรวนสูญเสียพลัดพรากใช่ไมเพราะนั้นมันขึ้นต่อธรรมชาติขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเราเนี่ยความสุขประเภทนี้ใช่หมหนึ่งมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในตัวเราต้องหาสองมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเรามันเป็นของภายนอกมันขึ้นต่อกฎธรรมชาติไม่ได้ขึ้นต่อใจเรา เพราะฉะนั้นคุณจะเอาความสุขสมบูรณ์จาความสุขประเภทที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้ขอให้ยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงแล้วคุณจะปฏิบัติต่อมันด้วยความรู้เท่าทันแล้วจะอยู่ได้อย่างดีที่สุดทุกน้อยที่สุดแต่ไม่ได้หมดทุกหรอกนะพระเจ้านี่ให้รู้เท่าทันอย่างนี้เนี้อก็เลยบอกว่าอ้าวในแง่ชีวิตของเรานะเรามีความรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ดีนะให้มีทุกน้อยเราได้ความสุขแบบอย่าง มากที่สุดจากมันในแง่สังคมพระพุทธเจ้าก็ให้หลักไว้บอกว่าเพื่อให้เราเนี่ยอยู่กันไปได้ทุกๆคนจะพอมีวัตถุบริโภคเสพก็องค์ก็ให้หลักปฏิบัติเช่นศี่ห้ามาของเอาแล้วคุณจะหาความสุขจากวัตถุมาเสพคุณจะหาทอะไรก็หาไปแต่ขออย่างเดียวนะอย่าละเมิดหลักปฏิบัติหข้อนี้วางเป็นกรอบไว้ในสังคมคือคุณหาไปก็หนึ่งอย่าไป เบียดเบียนทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นคุณจะทำไปหาไปก็อย่าให้ล่วงละเมิดกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นนะคุณหาไปอย่ายละเมิดขู่ครองคนอื่นคุณหาไปอย่าไปทำลายหลอกลวงเขาเนี่ยคุณหาไปก็อย่าไปทำลายสติสัพจัญญะและก่อความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วยการที่มาเสพยาเสพติดศีห้าก็เลยเป็นหลัก ในทางสังคมเป็นกรอบสําหรับกันไว้ว่าในการหาวัตถุเสพนั้นขอให้มีขีดขั้นขอบเขตไว้แค่นี้ก็พออยู่กันได้สังคมไม่เดือดร้อนเกินไปนะทุกคนพอจะมีบ้างนะแต่ว่าอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขสมบูรณ์นะสี่ห้านี้เป็นเกณฑ์เพียงอย่างต่ําเพื่อช่วยสังคมให้อยู่กันได้เท่านั้นเองทั้งหมดทั้ง5้าข้อนี้มีความมุ่งหมายทางการรักษาสังคม ให้มนุษย์อยู่กันได้แม้แต่ข้อที่ห้าเนี่ยเราอาจจะไปนเน้นในแง่ว่าเวลารับประทานเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติดแล้วมันทำลายสติสัพพัญญะแต่ว่าความมุ่งหมายในสี่ห้าท่านอยู่ที่ทางสังคมคนที่เสพยาเสพติดเกิดความมุนเมาแล้วเนี่ยเป็นคนที่ผู้อื่นเขาไม่สามารถไว้วางใจได้เนี่เป็นผู้ที่ ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยเป็นผู้คุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นใช่เราเห็นคนเมามาปั๊บนี่ใจไม่ดีแล้วจะเอาท่านไหนใช่ไหมนรถคันนั้นเมาคนขับเมานี่รถคันอื่นไม่สบายใจใช่หมหยิ่งรถที่จะสวนด้วยนี่แหม่ไม่สบายใจเลยหรือหรือว่ารถคันโน้นสิบลอกิกนยามามาเงี้ยใครสบายใจบ้างใช่ม นี่คนที่เสพยาเสพติดเนี่ยเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสังคมฉะนั้นจึงเป็นศี่ห้าอยู่ในระบบของสังคมนี่เอาละเลยพรก็ไปอ่านว่าในแง่สังคมแล้วจะหาความสุขทางวัตถุ ก, ก็หาไปเถอดแต่ขออย่างเดียวว่าอย่างน้อยให้รักษากรอบขอบเขตไว้ห้าข้อนี้แล้วคุณจะอยู่กันได้พอจะหาความสุขจากวัตถุไปได้ นี้ต่อมาท่านก็สอนวิธีปฏิบัติอีกเยอะเลยนะให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะ่ะท่าเนเรียกว่ารู้จักพอดีในการกินนะ่ะเรเรียกว่าโภชนีมัตัญญุตตานะีอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติเพิ่มขึ้นมาให้มีอินเสียสังวรรู้จักควบคุมอินทรีย์รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นนะไม่ให้ลุ่มหลงโมงโมเมากับการเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายมากเกินไปอะต่างๆอันนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อ ทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปแต่ตอนนี้อาตมาจะไม่ลงรายละเอียดและในข้อปฏิบัติเหล่านี้เอาเป็นเพียงว่าได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้วเราจะหาความสุขกันได้และก็ปฏิบัติต่อความสุขได้ดีขึ้นแต่นี้ว่าเมื่อกี้นี้อาตมาได้พูดไปอันหนึ่งก็คือว่าการที่ว่าเราหาความสุขจากสิ่งเสพไปเนี่ย ถ้าจะให้ดีนี่เราต้องรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้ได้ด้วยนะแล้วชีวิตของเราในความสุขของเราจะไม่ขึ้นต่อสิ่งเสพมากเกินไปจนทุ่งสูญเสียอิสรภาพคือคนปัจจุบันนี่เราไปคิดในแง่ว่าเราเก่งเก่งหาสิ่งเสพแต่เราลืมไปว่าในความเก่งนั้นคือความหมดอิสรภาพนะใช่ไหมเรานึกว่าเออเราหาอะไรแต่อะไรมาได้มากมายแต่เสร็จแล้วความสุขของเรานี่ไม่อยู่ในตัวเราต้องขึ้นต่วัตถุไปหมด ก็คือเราไม่มีสรภาพนั่นเองขาดสิ่งเหล่านั้นล้ทุรนทุรายโกรนกร็วายอยู่ไม่ได้นี้เพื่อจะฝึกไว้นะให้เราเนี่ยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขพระพุทธเจ้าก็ให้ไว้อีกนะเอาลองดูวิธีปฏิบัติอันหนึ่งนะที่จะช่วยรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้และหรือพูดอีกสำนวนหนึ่งว่ารักษาอิสรภาพในทางความสุขไว้เมื่อกี้นี้เรามีศีลห้าศีลห้านี้ บอกแล้วว่าเพียงว่าเพื่อให้สังคมมีกรอบต่างคนต่างหาความสุขไปแต่ว่าจะพออยู่กันได้ไม่มากรอกความเดือดร้อนกันและทุกคนก็เลยแย่ไปด้วยกันอันนี้สีห้าเป็นเรื่องสางสังคมต่อมาก็จะมาเข้ามาที่ชีวิตบุคคลมากขึ้นว่าจะมาเสริมศักยภาพ ในการมีความสุขหรือรักษาความสามารถที่จะมีความสุขและอิสรภาพในทางความสุขไว้พระพุทธเจ้าก็เพิ่มศีลหบวก3เป็น8ปดศีล8นี้คือหลักปฏิบัติเพื่อจะรักษาความสามารถในการมีความสุขและการที่ไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพไปเป็นยังไงศีลห้านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมอย่างที่ว่าแหละแต่ศีล8เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อเป็นเรื่องส่วนบุคคลหมดได้ดูอ่ ศินข้อที่หว่าเว้นจากการรับประทานอาหารในเวลาวิกาลเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเว้นจากการพ้อําขับร้อมประคมดนตรีดูการละเล่นทัดทรงแต่งตัวประดับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวเว้นจากที่นอนสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวแม้แต่ข้อสมเปลี่ยนจากกามีมาเป็นอภมัมจจาก็เรื่องส่วนตัว ศีล8ดที่เพิ่มเข้ามาเป็นส่วนตัวเพื่ออะไรอันนี้แหละที่ว่าเพื่อจะได้รักษาอิสร ภ, ภาพในที่จะมีความสุขไว้เราเคยมีความสุขจากการเสพวัตถุที่เข้ามาต่งตางๆหูจาะมุกลินต้องกินต้องอะไรอยากกินเมื่ อ, อไรอร่อยลิ้นเมื่ อ, อไรก็กินเมื่อนั้นนะความสุขไปไปมาๆมันขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นไปหมด นี่พระเจ้าก็บอกคุณอย่าเผยสตินะฝึกไว้บางเอาละเจ็ดแปดวันทีหนึ่งแปดวันเอาทีนึงนะนะเพื่อรักษาอิสรภาพนี้ไว้ก็คือถือศีลแปดท่านเรียกว่าอุโบสถไม่เอามากแปดวันเท่านั้นนะะุตรเดือนหนึ่งก็แค่สี่ครั้งถ้าใครมีศรัทธามากขึ้นท่านบอกว่าเอาวันโกนด้วยก็แปลว่าเดือนละแปดครั้งเดือนละแปดครั้งนี่เตือนสติแล้วลองด้วยนะเป็นการพิสูจน์ฝึกตัวเองว่า เราจะอยู่ด้วยวัตถุเสพที่เท่าที่จําเป็นพอให้มีคุณภาพชีวิตโดยไม่เป็นการบํารุงบาเรลตัวเองเนี่ยได้ไหมเนีเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่าพอถึงแปดวันทีหนึ่งอ้าวลองดูซิวันนี้นะไม่ต้องบําเรอลินไม่ต้องตามใจลินกินแค่เท่าที่จําเป็นว่าแค่เที่ยงพอไหมอพอให้ชีวิตอยู่มีสุขภาพดีได้และอ้าวตกลงเอาแค่นั้น แล้วต่อไปไม่ตามใจลิ้นและเอาเวลาไปใช้ประโยชน์อื่นทําอื่นเราจะอยู่ดีมีสุขได้ไหมโดยไม่ต้องบาเรวลิ้นไม่ต้องตามใจลินอยู่ดีได้ไหมมีความสุขได้ไหมโดยไม่ต้องไปเที่ยวตามดูสิ่งบันเทิงโดยไม่ต้องนอนบนฟูกฟูแปดวันทีนอนบนเสื่อบนกระดานทีเนี่ยเอโดยการนอนบนเสื่อบนกระดานนี่เราจะพอมีความสุขอยู่ดีได้ไหมโดยไม่ต้องพึ่งไอ้เจ้าที่นอนฟูกกันนั่นนะ ความสุขของเราต้องขึ้นต่อที่นอนฟูกไปหมดหรือเราเกิดมาเราไม่ได้มีมันนี่เราลองอยู่ง่ายๆสิไม่ต้องมีที่นอนฟูกอะนอนพื้นนอนกระดานเราจะมีความสุขได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกแปดวันเอาทีเลยนี้ถ้าเราทําได้อย่างนี้เราก็จะรักษาอิสรภาพไว้ได้นะคือความสุขของเราเนี่ยจะไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุสิ่งเสพมากเกินไปเราจะอยู่ดีได้ด้วยวัตถุแม้เพียงน้อยเท่าที่จําเป็นต่อชีวิตจริงๆ ตอนนี้เราจะสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ดีขึ้นนะวัตถุสิ่งเสพเหล่านั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้เนะี่บางคนพูดไม่ได้นะต้องมีจึงอยู่ได้ไม่มีละตายใช่ไหมเ <c oughs> นะีคือถ้าไม่มีละทุรนทุรายเลยนะเนะี่ยบางคนเป็นอย่างนั้นนะนี่แสดงว่าถ้าคนไหนเป็นอย่างนั้นนะคนนั้นแสดงว่าหมดอิสรภาพแล้ว เขาได้สูญเสียอิสรภาพในการที่จะมีความสุขด้วยตนเองความสุขของเขาได้ขึ้นต่อวัตถุโดยสมบูรณ์สิ้นเชิงแล้วใช่ไหมเออบอกว่าต้องมีอันนั้นก็ต้องมีอันนี้ก็ต้องมีนนงมถ้าไม่มีแล้วฉันตายฉันทุรนทุลายอยู่ไม่ได้ถ้าคนอย่างนี้ลําบากต่อไปเนี่ยเพราะว่าชีวิตคนนี้ต้องอยู่ด้วยตนเองในหลายสถานการณ์เช่นยามเจ็บไข้ได้ป่วยเสพสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ยามแก่เฒ่าชรา ร่างกายอินทรีย์แข็งแรงไม่พอเสพสุขจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วทําไงก็ทุรนทุลายสิเพราะว่าอิสรภาพไม่มีใช่ไหมความสุขไปขึ้นต่อสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วนั้นต้องตเตรียมฝึกไว้ในชีวิตประจําวันต้องให้สามารถพูดกับตัวเองได้อย่างที่ว่าบอกว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้อา้าวญาติพิทุทุกท่านลองพูดกับตัวเองอ่ะพูดได้ไหมนะถ้าพูดได้แสดงว่ายังมีอิสรภาพนี้อยู่นะมีก็ดีไม่มีก็ได้ นี้ถ้าฝึกตัวเองไปมาบางทีบางครั้งเราจะพูดไปขั้นหนึ่งบอกว่ามีก็ได้ไม่มีก็ดีว่าไงนะหมาะความว่าบางอย่างนี่มันเกะ ก, กะรกลุงรังแม่เราไม่มีเราก็สบายดีเป็นอิสระนะเพราะคนพออยู่ได้ดีขึ้นมีชีวิตที่เป็นความสุขเป็นอิสระภาพแล้วมีความรู้สึกเป็นอิสระคล่องตัวจะไปไหนมาไหนเมืม่อไรมันก็ปลอดโปร่งในชะ่ไ้ยคนที่ติดในวัตถุ ความสุขขึ้นแต่วัตถุหมดอิสรภาพนี้มันไปไหนลําบากอะไม่มีสภาพไม่คล่องตัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้ศีลแปดมาสําหรับอย่างน้อยมาฝึกตัวเราไว้รักษาอิสรภาพไว้อย่าให้สูญเสียมันไปได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะเอาแล้วนะเลยพอนี้แหละนี่พระพุทธเจ้าให้วิธีปฏิบัติว่าพระองค์ฝึกคนละเยอะเลยหลายวิธีแต่เรื่องการมาสู่เข็ญจะพอะทักทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมด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 อา้าวทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไปเราคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนีพัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้าง